ปฏิจจสุบาทหน้า469นะท่านตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เห็นไหมั น, นคำว่าโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นั่นเองนะความปริภิตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตาย ย่อมจุติย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรลามรณะแล้วนะการออกจากทุกข์คือชรลามรณะนี้จกปรากฏขึ้นได้อย่างไรนั่นถ้าเขาไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากความทุกข์แล้วเขาจะออกไปจากทุกข์ได้อย่างไรมันจะออกไม่ได้นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายความฉ ง, งนนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่า เมื่ออะไรมีอยู่หรือหนอชรลามรณะจึงมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีชรลามรณะพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดเป็นลําดับที่เป็นขั้นเป็นตอนมันมีแก่มีตายใช่ไหมพระเจ้าต้องการแก้ปัญหาแก่ตายท่านก็คิดไปก่อนว่าถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ความแก่ความตายแล้วมันจะออกจากความตายได้อย่างไรท่านจึงย้อนกลับมาคิดอีกทีว่าแล้วอะไรเป็นเหตุของความแก่และความตาย ดูก่อนพิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคลายได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะชาตินั้นแหลมีอยู่ชลาเมรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นเหตุนะหรือเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและเมรณะเพราะมีการเกิดนั่นแหละแก่ตายจึงมีเหมือนแก้วใบนี้อาตมาถามบ่อยๆว่าเพราะอะไรแก้วจึงแตกนะก็เพราะมันมีแก้ว ถ้าแก้วไม่มีจะไม่มีแก้วแตกจนไม่อยากให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วอย่ามีการเกิดของแก้วขึ้นมาเดิมมันเป็นทรายเอามาหลอมทําการเกิดเป็นแก้วมาเป่าเป็นแก้วขึ้นมาแก้วมีการเกิดปรากฏสิ่งใดมีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับทันทีไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อต้องไม่เมื่อไม่ต้องการความตายความเสื่อมอย่าเกิดอย่ามีอนะย่ามีสิ่งนั้นขึ้นมาพระเจ้าจึงบอกว่า การที่เรามีสิ่งใดก็ตามนะั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะมีสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีมันจะเดินไปสู่ความแตกสลายทั้งหมดแล้วพระองค์ก็สาวไล่ไปอีกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะพบนั่นแหลมีอยู่ชาติจึงได้มีนะท่านก็สงสัยขึ้นมาว่าเพราะอะไรมีชาติจึงมี อาจมาอาจจะถามต่อว่าเพราะอะไรมีแก้วใบนี้จึงมีนั่นก็คือว่ามันมีสถานที่เกิดของมันมันมีสิ่งที่มันอาศัยในการเกิดขึ้นมานั่นก็คือเพราะมันมีทรายมีธาตุดินนั่นเองเอามาหลอมได้ถ้าของแข็งไม่มีในโลกาธาตุแก้วใบนี้จะเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ถ้าในโลกนี้มีแต่ของเหลวกา๊าซ พลังงานไม่มีของแข็งเลยแก้ววบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นตัวดินน้ำไฟลมผู้เจ้าจึงเรียกมันว่าภพเป็นรูปภปพนะภพที่อาศัยรูปคือมีธาตุดินน้าไฟลมสี่ธาตุนี้เรียกว่ามหาพุตธะธาตุสี่นะธาตุสี่ประการของรูปนั้นรูปประธาตจะมีสดินน้าไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงาน นี่พูะเจ้าจะโยงไปถึงตัวธาตุ <c oughs> แล้วท่านก็โยงต่อไปนะแล้วไอ้ไอ้ตัวธาตุพวกนี้ไอ้ภพเนี่ยมันมีได้ยังไงพูะเจ้าก็บอกภพมันมีได้เพราะอุปทานนะถ้าเราไม่ไปยึดสิ่งสิ่งนั้นก็ไม่มีนั้นตัวธาตุเนี่ยมันมีอยู่ในโลกแต่ถ้าจิตไม่ไปยึดก็เท่ากับมันไม่มีเพราะฉะนั้นการมีของธาตุเนี่ย ก็เพราะเป็นการมีของจิตที่เข้าไปรู้เรานั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกอยู่นะขณะที่จิตรู้ลมอยู่เอ๊ะความจํามันหายไปไหนความคิดปรุงแต่งมันหายไปไหนสุขทุกข์มันหายไปไหนมันเป็นธาตที่มีอยู่ในโลกแต่สักพักหนึ่งจิตหลุดจากลมไปปั๊บไปคิดอดีตนั่นน่มันมาแล้วมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตออกไปรับรู้ และขณะที่จิตไปรับรู้มันนั้นเนี่ยลมหายใจหายไปไหมหายขณะที่กําลังเพลินไปกับความคิดอดีตขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องลมหายใจลล้ะนั่นแสดงว่าอะไรจิตรับรู้ได้ทีลธรรมชาติเพราะจิตไปรับรู้ธรรมชาติที่เป็นนามธรรมตัวนี้ขณะนั้นมันก็จะไม่รู้ลมลมก็มีอยู่เราก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกกายก็ยังไม่ได้แตกทําลายแต่ทําไมมันไม่มีในความรู้ของจิตเห็นไหม เพราะฉะนั้นการมีของนามรูปหรือการมีของวัตถุธาตุเนี่ยมีเพราะว่าจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้เข้าใจั้มนี่จึงเป็นการอธิบายการมีการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปผู้เจ้าจึงบอกว่านามรูปมีเพราะว่าวิญญาณวิญญาณเข้าไปรับรู้ตัวนามรูปจึงถูกเรียกว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณซึ่งตรวจสอบได้ด้วยตัวเราไหมได้เรานั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเดี๋ยวนี้ เอาแค่สามนาทีเรานั่งรู้ลมเข้าลมออกเช็พักหนึ่งแป๊บไปต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมมันลากเร า, า, าไปลากเร า, าไปหาธรรมชาติอะไรคิดเรื่องอดีตบ้านคิดเรื่องอนาคตบ้านไปสู่สุขุกเบกข า, าพอใจไม่พอใจบ้างกลับมาที่ลมหายใจบ้างวนไปวนมาอย่างนี้โยมจะนั่งไปกี่สิบปีก็ตามวิญญาณหรือจิตจะวนรู้ได้แค่สีนน่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสีนน่ธาตุนี้ผู้เจ้าจึง เรียกความรู้ตรงนี้ว่าเป็นความรู้ของพระโสดาบันบุคคลนั้นโสดาบันจะรู้เลยว่าวิญญาณวนอยู่ในสี่ธาตุนี้จะรู้จักวิญญาณผิติรู้จักวิญญาณรู้จักฐานที่ตั้งของวิญญาณคือตัวนามรูปทั้งสีน่นี้นี่โสดาบันหนึ่งในคุณสมบัติของโสดาบันเพราะนั้นคนที่จะรู้ตรงนี้อส า, าธารณญาณคือญาณที่ไม่มีในความรู้ของบุคคลทั่วไปเพราะนั้นผู้ ผู้นั้นที่จะมามีความรู้ตรงนี้ต้องเป็นอะไรต้องมาดูจิตของตัวเองมาดูอารมณ์ของตัวเองมาดูการทํางานของจิตตัวเองถึงจะมีความรู้ตรงนี้ได้นี่แหละความรู้ง่ายๆอย่างนี้แหละมาสังเกตจิตตัวเองว่าทาํางานยังไงไปไหนมาไหนบ้างมันไปเที่ยวที่ไหนเพราะฉะนั้นวเวลาจิตปรุงอย่าไปลำทานใช้เป็นมุมของปัญญาเลยมาดูโอ้มันไปไหนบ้างน้อเนี่ยขณะที่ไปเนี่ยมันไปรู้สิ่งสิ่งเดียวหรือมันรู้พร้อมกันสามสิ่งหรือสองสิ่งทีเดียว เพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยสังเกตหมดเลยแล้วท่านก็เริ่มบัญญตัติปับปั๊บปับแต่ละอันแต่ละอันออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ้าจิตฟุ้งออกไปเนี่ยท่านไม่ได้ปล่อยให้มันไม่ใช่ว่าผู้เจ้าไปนั่งลำคาดทําไมจิตเราฟุง้งแต่ผู้เจ้าสังเกตหมดสังเกตและบัญญัติออกมาเป็นอาการของจิตได้จิตจะทํางานอย่างนี้ไปอยู่ในธรรมชาติอะไรขณะที่มันรู้มันจะไม่รู้อย่างอื่นนั่นแสดงว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรู้ได้สองสาธรรมชาติพร้อมกัน และอศัยความเร็วในการเกิดดับก็ก็ปั๊บออกไปอย่างนี้ <c oughs> จากนั้นผู้เจ้าก็จะไล่ลำดับการเกิดขึ้นนั่นก็คือสายปฏิจจานั่นเองจนกระทั่งถึงสังขารวิญญาณนะ <c oughs> แล้วจากนั้นก็ไล่าสายการดับนะ <c oughs>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 ของการเกิดขึ้นของธรรมชาติในโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดในโลกจะเป็นอเมริกาอฟริกาอังกฤษไทยจีนลาวแคนามีอาการอย่างนี้หมดในจิตนั้นเวลาไปพูดตา่างศาสนาเนี่ยต้องเอาธรรมะตรงนี้ไปพูดต้องเอาธรรมะคือปฏิจจสุบารไปพูด ซึ่งเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าบอกสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนไม่ได้เลยมันเป็นความจริงตลอดกาลและตรวจสอบได้ในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยพะพุทธเจ้าจึงจึงบอกว่าท่านเข้าไปค้นพบความจริงความจริงของโลกพระสูตรหน้า474ก็ลักษณะเดียวกัน อันนี้พระพุทธเจ้าก็อ้างถึงพระพุทธเจ้าในอดีตหพระองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตัดสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสียังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ท่านจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมติย่อมอุบัต ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรคิดเหมือนกับผู้เจ้าปัจจุบันเป๊ะเลยเห็นไหมและผู้เจ้าก็เคยบอกว่าเธอจะไปรอผู้เจ้ากี่พระองค์ก็ตามผู้เจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหมดเพราะนั้นไม่ต้องคอยนะเจอผู้เจ้าองค์นี้นี่รีบเร่งความเพียรแล้วก็ทาจิตให้หลุดพ้นได้เลยนะ ขนาดคิดก่อนแต่สรู้ยังคิดเหมือนกันเลยนะอันนี้ท่านก็ยกมาแค่หนึ่งพระองค์แล้วแต่คำตรัสอื่นๆก็คือเหมือนกันหมดความหมายของอาหารสี่ความหมายของอาหารสี่พาาระจะถาคตจัดไว้อ่ ในเรื่องของกัพรีกาลาหานอาหารคือคำข้าวในเรื่องของผัสสะผัสสอาหารนะในเรื่องของมโนสันเจตนาอาหารและในเรื่องของวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณในเรื่องของกัพรีกาลาหานหรือกัวลิงกาลาหานเหมือนกันอาหารตรงนี้หมายถึงอาหารคือคำข้าวคำข้าวที่เรากินไปเนี่ย ใคพิจารณาอาหารคือคำข้าวนะจะสามารถเข้าถึงความเป็นอนาคามีบุคคลไดนะ้นั่นก็คือผู้เจ้าตัดไว้ในตอนสุดท้ายนะของอาหารคือคำข้าวว่าสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกเนี่ยย่อมไม่มีนั้น <c oughs> เราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้ลองไล่ขึ้นไป ก็จะได้เห็นว่าที่พระเจ้าตรัดในเรื่องของสังโยชนแรัตถาคตตรัสว่า <c oughs> เมื่อกัะพลีกาลาหาันอันอริยสาวกกําหนดรู้ได้แล้วราคาที่มีเบญจ ก, กรรมคุณเป็นดันเกิดเราวิเคราะห์ไปทีละคำเลยนะกัะภลีกาลาหาันอาหารคือคําข้าวเมื่ออาริยสาวกเนี่ยกำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยราคาคือความพอใจที่มีเบญจ ก, กรรมคุณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายห้าอายรนะของกายคือตัวกรรมคุณ เครื่องต่ต่อให้เกิดการเบนจะคือ5้ากรามคุณคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้แล้วด้วยก็คือความพอใจในอายะตนะทั้ง5นั้นอริยสาวกย่อมกําหนดรู้ได้เพราะฉะนั้นแค่กําหนดเรื่องอาหารอย่างเดียวโยงไปถึง5อายะตนะของกายเลยนะอาตมาแรกๆอ่านก็งง มันจะไปโยงกันได้ยังไงหาวิธีโยงของพระเจ้าอยู่่พระเจ้าจะโยงไปยังไงได้ก็เลยมาเจอว่าเน้นโยงกลมนั่งสมาธิก็ค่ายควรไปเราก็เลยได้เห็นว่า <c oughs> ขนาดที่ตาไปเห็นอาหารเนี่ยลิ้นอยากดใช่ไหมลิ้นอยาก เ, ลลากเวลาโยมมีคนมาพูดเรื่องส้มตํามะ น, นาวเปรี้ยวจนะี๊ดจ้าะลิ้น น้ำลายขึ้นน้ำลายขึ้นร้านนี้อร่อยเอ้เอาสักหน่อยเห็นไหมลิ้นขอด้วยนะพอได้กลิ่นปุ๊บลิ้นขอด้วยอีกอมจมูกชอบลิ้นชอบด้วยหูชอบลิ้นชอบด้วยตาเห็นลิ้นเอาด้วยนะเพราะนั้นอายุราตนะของกายอันอื่นเนี่ยที่เมื่อเกิดการชอบแล้วลิ้นขอด้วยหมดเลยแสดงว่าลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวกับทุกอายาตนะ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้เจ้าให้คุมลิ้นอย่างเดียวคุมลิ้นคุมอาหารอย่างเดียวทําไมผู้เจ้าจึงบอกว่าเธอจะคุมอีกสอายตนะที่เหลือของกายได้ทั้งหมดและทําให้อะไรเมื่อความพอใจที่มีเบญจกรรมกุลเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกกาหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ชนิดที่อริยสาวกสังโยชน์เครื่องร้อยลัดจิตที่ไปผูกพันกับอายตนะตรงนั้นเนี่ยชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกนั่นคืออะไรอนาคามีบุคคลไม่ต้องมากลั บ, บมาเกิด บ, บนโลกนี้อีกที่ใช้เบญจากามคุณเพราะฉะนั้นเทวดาก็มีก ร, รมคุณเหมือนกันมนุษย์ก็มีกรรมคุณแต่เทวดามีกรรมคุณอันเป็นทิพย์นั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเทวดาก็มีพระเจ้าจึงบอกว่า เทวดานั้นก็เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทริปนะเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เลยละเอียดประณีตต่างกันแค่นั้นเองนะนีค่คือกรณีของของคนที่พิจารณาอาหารคือทำข้าวหรือที่เรียกว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารให้บูตเน่าทีา่เวลาก่อนฉันขณะฉันหลังฉันพระเราต้องพิจารณาอาหารนะให้เป็นของปฏิกูลอยู่ตลอด พิณาเรื่องเวทนาเวทนาพรูพ <c> เ <oughs> จ้าบอกเมื่อผัสสะหารอันอริยสาวกกาหนดรู้ได้แล้วเวทนาทั้งสย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกกาหนดรู้ได้แล้วด้วยถ้าเราพิณาผัสสะเนี่ยควบคุมผสัสสะเราจะรู้เลยว่าทุกผัสสะเนี่ยจะเกิดเวทนาขึ้นบางผัสสะก็พอใจบางผัสสะก็ไม่พอใจบางผัสสะก็เฉยเฉยคนคนนั้นจะกําหนดรู้เวทนาสาได้คือสุขทุกข์เบเกขาเมื่อใครกําหนดรู้ เวทนาทั้งสามอย่างเหล่านี้ได้เนี่ยผู้เจ้าบอกเลยว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ทําแค่นี้แล้วเข้ามาผลนิพพานได้นั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการเป็นการป้องกันการตะเกียรตะกายของสาวกจนเกินเหตุบางทีเดินเส้นทางถูกแล้วหรือมันไม่ถูกนะหรือมันดีไม่ดีเปลี่ยนอีกนะตัวเองเดินถูกแล้วไปหาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนหลงนั่นแหละนะ ไปลองวิธีนั้นบ้างลองวิธีนี้บ้างนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีอะไรที่ตรงดีนะมีประโยชน์แล้วทำแล้วปุ๊บูเจ้าประกันไว้เลยนะเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทำให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่มีแกอริยาสาวกคู่นั้นดังนี้นะส่วนใครพิจารณาเรื่องมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาทางใจเนี่ยนะ คนนั้นจะกําหนดตัณหา3ได้นะการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหาย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อตัณหาทั้ง3เป็นสิ่งที่อริยสาวกกาหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกผู้นั้นดังนี้ไม่ต้องไปทําอะไรให้เกินไปกว่า น, นี้แล้วนะทำแค่นี้จอทั้งเข้าวิมุติได้เลยนะประกันไม่อีก อันที่4วิญญาณอาหารคนที่กำหนดเรื่องอาหารของวิญญาณแล้วจะรู้อะไรจะรู้รูปนามเกิดดับจะเห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างเราถ้าเรามาดูวิญญาณที่รู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งปุ๊ c, บวิญญาณไปคิดอดีตนั่นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลมคือรูปคิดอดีตคือนามธรรมคือสัญญาดึงกลับมารมปุบ๊บหลุดไปสังขารบ้าง เราก็รู้ว่าอ๋อนามธรรมอีกอันหนึ่งคือสังขารนะมันคือนามธรรมกลับมาที่รูปหลุดไปปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่สุขทุกอุเบกขาบ้างก็เป็นอีกนามธรรมหนึ่งคนนี้จะกําหนดรู้การเกิดดับของนามของรูปของนามของรูปของนามของรูปได้ตลอดเวลาเลยถ้าทําได้อย่างนี้ก็ทําแค่นี้ไปจนกระทั่นเข้าพิมุตไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะก็ตัดไว้เหมือนกัน เมื่อวิญญาณอาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วนามรูปย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วย mm. เมื่อนามรูปเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทำให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่มีกแก่อริยสาวกนั้นดังนี mm. ้เรื่องอาหารสี่หมดไปดูก่อนพิกษุทั้งหลายตาาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพระญาณ สิอย่างและประกอบด้วยเวสารัชยานสี่อย่างจึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโรคบรรลือศีหนาถประกาศพรหมจักในท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่ารูปคืออย่างนี้เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้รู้จักรูปรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับนะรู้จักเวทนาสัญญาสังขารโดยนิยะเดียวกันนะรู้จักตัวมันเหตุเกิดความดับ และรู้จักว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่คืออะไรกฎอิทับปัจจยตาเพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีไงเวทนามีได้เพราะมีผัสสะเพราะเวทนามีตัณหาความอยากจึงมีตัณหามีได้เพราะมีความชอบหรือมีเวทนา mm hmm. รู้เหตุในการเกิดขึ้นในอาการของจิตของเราเองนี่แหละ นี่คือหน้าที่479กับ80นะของปฏิจจสมบว่าทรงพยากรณ์แต่อริ ย, ายาะญาณธรรมเท่านั้นคือธรรมที่เป็นของอริยะเป็นเหตุให้หลุดพ้นนะส่วนความรู้ทางโลกที่บางทีเราอยากรู้กันว่าโลกเที่ยงไม่เที่ยงนะ โลกเที่ยงเท่านั้นที่เป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมฆะเป็นสัจจะที่เราไม่พยากรณ์โลกไม่เที่ยงเท่านั้นเป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมฆะดังนี้หรืออันนี้ผู้เจ้าก็ไม่พยากรณ์โลกมีที่สุดเท่านั้นเป็นคําจริงคําอื่นเป็นโมฆะดังนี้หรือบางคนก็บอกว่าโลกมีขอบมีสุดขอบจักรวาลมีที่สุดนั่นเองบ้างก็ว่าโลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยนะผู้เจ้าก็จะไม่พยากรณ์โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดชีวะก้อนนั้นสรีละก้อนนั้นชีวะก้อนนั้นสลีละก้อนนั้นนะชีวะก้อนอื่นสลีละก้อนอื่นชีวะก้อนอื่นสลีละก้อนอื่นเท่านั้นเป็นคําจริงนะตะถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกเท่านั้นเป็นคําจริง ค, คําอื่นเป็นโมฆะอยากไปรู้ระบบของตถาคตว่าวิสัยของผู้เจ้าเป็นอย่างไรตายแล้วมีอีกหรือไม่ตายแล้วเป็นอย่างไงนะผู้เจ้าจะไม่พยากรณ์ ตาาตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกหรือมีอีกหรือมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดูลักษณะของคำถามที่ผู้เจ้าจะไม่พยากรท่านบอกว่าดูก่อนอุติยะเราย่อมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงศิ้เสียซึ่งโสกกะปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกขมนัตเพื่อการบรรลุซึ่งยายธรรมเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่ง น, นิพพานนั่นแหละคือข้อที่เราพยากรผู้เจ้าบอกอย่างนี้ปุ๊บโดเนอุติยะย้อนเลยดูก่อนท่านโคโดมผู้เจริญข้อที่ท่านแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงสีส้ ซึ่งโสกับปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกตมนัสเพื่อการบรรลุซึ่งยายธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งสิงนิพานนั้นสัตว์โลกทั้งโลกหรือสัตว์ครึ่งโลกหรือว่าหนึ่งในสามของโลกเล่าที่ออกไปจากทุกได้ด้วยการแสดงธรรมนั้นพุเจ้าโดนย้อนอย่างนี้เป็นยังไงนะ้เจ้าก็ น, นิ่งนะไม่ตอบอะไรอ่าเรามาดู กำลังของผู้เจ้าสิบอย่างมีอะไรบ้างนหนึ่งตถาคตย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่ง สิ่งเป็นฐานะโดยความเป็นสิ่งที่มีฐานะสิ่งซึ่งไม่เป็นฐานะโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะนี่ไงมีมีคนไปสแกนตรงนี้มาในบาลีแสมรัสมาให้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรไม่เป็นฐานะเช่นอะไรบ้างผู้เจ้าบอกว่าไม่ใช่ฐานะที่ผู้หญิงจะเข้าถึงความเป็นพรหมอย่างเนี้ย ย่อมรู้ชัดนะข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นเป็นฐานะที่มีได้เพราะนั้นถ้าโยมจะสตาร์ทไปจะไปเป็นพรหมโดยสตาร์ทจากผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ต้องสตาร์ทจากผู้ชายนะ แต่โยมก็เคยเกิดเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาแล้วทั้งคู่ตลอดกาลนานเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวตัวเองเคยเกิดมาหมดนะสารพัดนั้นไม่ต้องไปเกี่ยงว่าผู้หญิงผู้ชายนะนะมีศักยภาพในการบรรลุ ธ, ธรรมได้ทั้งหมดย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีจะพึงสําเร็จเป็นเท้าสั ก, กะเทวราชนี่นั้นผู้หญิงเป็นพระอินไม่ได้อือันนี้แปลกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีพึงสําเร็จเป็นมารแต่ฐานะที่มีได้คือบุรุษพึงสําเร็จเป็นมารบุรุษนีนนเ้เป็นมารได้นั่นเองแต่สตรีเป็นมารไม่ได้อืม เนี่ยเยอะเลยฐานะไม่ใช่ฐานะหลายแง่หลายมุมมากนะตถาคตย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งวิบากของการกระทํากรรมที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้ทั้งโดยฐานะและโดยเหตนะุนี่ก็เป็นกำลังของตถาคตอีกอย่างหนึ่งสามย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งปฏิภทาเครื่อง ทำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงได้นี่ก็เป็นกําลังของตถาคตอีกอย่าง <c oughs> นั้นไทยรู้จริงในเรื่องนี้นี่พระตถาคตจะรู้จริงเรื่องนี้นะดูข้อในข้อที่4นะตถาคตจ่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งโลกนี้อันประกอบด้วยธาตุมิใช่อย่างเดียวด้วยธาตุต่างๆกันที่พรุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครได้ฌาน4ี่เนี่ยจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนันรกจะรู้จักว่าสัญญามีประมาณเท่าใดสังขารหรือว่า ยานอย่างลวดดียานอย่างลวอนาคตออความละเอียดในชั้นภพภูมิต่างๆมันโหเยอะแยะมากมายเลยท่านจึงเรียกว่าแทงตลอดซึ่งธาเป็นอเอกความสามารถตรงนี้ต้องได้สมาธิในระดับชาญนที่4นะซึ่งพระเจ้าจะอธิบายไว้ในพระสูตรหนึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังของพระตาคตใน1ิอย่าง1ิเรื่องตรงเนี้ยบางอย่างสาวกทาได้บางอย่างสาวกทไ า, า, าทไม่ได้ เพราะนั้นไม่ใช่ว่ากําลังของพระตถ า, าคตทั้งหมดลูกศิษย์ทําได้หมดหรือว่าลูกศิษย์ทําไม่ได้ทําได้ก็มีแต่ในกรณีที่ทําได้ก็ทําไม่ได้เต็มที่เท่าตถาคตเช่นยานอย่างลุวนอดีตหรือยันอย่างลุ่นอนาคตทําได้จริงแต่ทําได้แค่หมื่นชาติแสนชาติหนึ่งกับอย่างนี้หรือแสนกับแต่พระเจ้าไม่มีประมาณไม่มีใครทําได้เท่าพระเจ้านะ <c oughs> ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอธิมุตติ อันต่างๆของสัตว์ทั้งหลายอันต่างๆการของสัตว์ทั้งหลายรย่อมรู้ชัดซึ่งความจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่ไงที่ในมิกาสาราสุดว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้รู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลรู้ว่ากําลังของแต่ละคนเนี่ยมีแค่ไหนอย่างไรย่อมรู้ชัดตามความจริงซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกซึ่งฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติทั้งหลายอันนี้ก็สาวกทําได้อยู่ อยู่ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อยู่ในอาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งสาวกทั้งหลายก็ทำได้ย่อมละลึกได้ซึ่งขันอันตนเคยอยู่อาศัยในพบ่อนก่อ น, อนนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติสาชาติอันนี้สาวกก็ทำได้แต่ทำได้ไม่สุดอย่างพุทธเจ้าพพุทธเจ้าเนี่ยสุดไม่มีประมาณข้อ9ตถาคตย่อมเห็นสัตว์ด้วยจักสิจักด้วยทิพพระจักขู่อันหมดจด ก้าล่วงจากขุมนุษย์นะเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนอยู่บังเกิดอยู่เคลื่อนคือตายนะบางเกิดก็คือเกิดนะอันนี้สาวกก็ทําได้แต่ก็ทําได้ไม่เท่าผู้เจ้าอีกพผู้เจ้ารู้อนาคตไม่มีประมาณแต่สาวกมีจิตจํากัดตถาคตย่อมทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญามนุษอันไม่มีอาสะวะอันนี้สาวกก็ทําได้คือสิ้นอาสะวะได้เท่าตถ า, ถาคตเหมือนกันนะ